สร้างบุญสร้างกุศลเพื่อเป็นเหตุที่จะนำมาซึ่งความร่มเย็นเป็นสุขความเจริญก้าวหน้าของชีวิตและจิตใจพระพุทธศาสนาเป็นคำสอนอันประเสริฐของพระอาหารหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ประกอบสำคัญของพระพุทธศาสนา หรือหัวใจของพระพุทธศาสนาก็คือพระรัตนตรัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ความเป็นมาความเริ่มต้นของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็ไม่ได้เกิดขึ้นมาพร้อมๆกันการเกิดขึ้นของพระรัตนตรัยนั้นมีพระพุทธธารถตะะเป็น องแรกที่อุบัติขึ้นมาเกิดขึ้นจากการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าคือเดิมทีเป็นเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะหลังจากมีพระชนมายุ 29,000 ษาก็ทรงสเสด็จออกผนวดและทรงบำเพ็ญเพียร อยู่หกปีด้วยกันจนถึงวันเพ็ญเดือนหกก็ได้ทรงตัสรุพระอนุตตราสัมมาสัมบูยานทำให้พระ อ, องค์ทรงหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดจึงปรากฏมีพระพุทธรัตนะพระรัตนใจ องแรกปรากฏขึ้นมาแต่เป็นพระพุทธรัตนะที่ยังไม่ได้มาประกาศให้โลกให้สัตว์โลกได้รู้จักยังอยู่ในพระทัยของพระพุทธเจ้าอยู่จนอีกประมาณสองเดือนด้วยกันคือวันเพ็ญเดือน8วันที่เราเรียกว่าวันอาสาหาบูชา จึงเป็นวันที่ปรากฏขึ้นของพระธรรมรัตนะและพระสังฆรัตนะคือพระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศพระธรรมคำสอนเป็นครั้งแรกในวันนั้นแต่แก่พระปัญจวัคคีมีอยู่ห้ารูปด้วยกันหลังจากที่ได้ทรงแสดงธรรมก็ปรากฏมีหนึ่งในพระปัญจวัคคี คือพระอัญญาโกนธัญะญได้บรรลุมีดวงตาเห็นธรรมขึ้นมาบรรลุเป็นพระอริยสงสาวบเป็นองค์แรกเป็นพระอริยะขั้นเบื้องต้นคือพระโสดาบันวันนั้นจึงปรากฏมีพระรัตนตรัยพรบริบูณ์คือมีพระพุทธรัตนะ มีพระธรรมรัตนะและพระสังฆรัตตนะจึงเป็นอนว่ามีครบถ้วนบริบูรณ์ของพระพุทธศาสนาถ้าไม่มีทั้งพระทั้งพระรัตนะทั้งสามองค์นี้แล้วก็จะไม่มีพระพุทธศาสนาถึงแม้จะมีพระพุทธเจ้าได้ตัดสรตวพระ สัมมาสัมปวิทยานก็ตามแต่ถ้าพระองค์ไม่ทรงประกาศสอนประกาศพระธรรมคำสอนให้แก่สัตว์โลกไม่มีผู้ได้ยินได้ฟังก็จะไม่มีการปรากฏขึ้นของพระธรรมรัตนะพระสังฆรัตนะเมื่อไม่มีพระรัตนะไตรครบสามองค์พระพุทธศาสนาก็จะไม่ปรากฏ อยู่ในโลกนี้เหมือนที่ปรากฏอยู่ในทุกวันนี้เพราะการที่จะมีพระพุทธศาสนาได้ต้องมีพระรัตนตรัยครบทั้งสาองค์ด้วยกันมีพระพุทธเจ้าเป็นผู้ตัดสั้พระธรรมองค์แรกแล้วนําพระธรรมที่ทรงตัดสั้นมาสั่งสอนให้กับสัตว์โลกเมื่อผู้ฟังมีจิตศรัทธาน้อมนําเอาไปปฏิบัติ ก็จะบรร ล, ลุเป็นพระ อ, อริยสงสาวกเป็นขั้นๆไปซึ่งมีอยู่สี่ขั้นด้วยกันคือขั้นแรกเรียกว่าพระโสดาบันขั้นที่สองเรียกว่าพระสกิดาคามีขั้นที่สามเรียกว่าพระ อ, อนาคามีและขั้นที่สี่เรียกว่าพระ อ, อรหันต์พระอริยสงสาวกนี้ มีได้ทั้งเพศหญิงและเพศชายเป็นได้ทั้งนักบวชและคารวาดเพราะพระอริยสงสาวกนี้ไม่ได้หมายถึงพระที่บวช น, นุ่งเหลืองโกนศีษะแต่เป็นผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบที่เรียกว่าสุปฏิปันโนอูชุปฏิปันโน ญายะปฏิปันโนสามีจิปฏิปันโนผู้ใดก็ตามไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงเป็นคาารวะหรือเป็นนักบวชเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ถ้ามีสติปัญญาความภาคเพียนความสามารถที่จะปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ครบถ้วนบริบูรณ์ ก็จะสามารถบรรลุเป็นพระอริยสงสาวกได้เป็นสังขรัตนะเป็นที่พึ่งของผู้ที่ยังไม่มีที่พึ่งได้ในสมัยพระพุทธการจึงมีพระอริยะอยู่ทุกเพศทุกวัยนักบวชก็มีเป็นคารวะก็มีเป็นพระก็มี เป็นสัมมนเนนก็มีเพราะจิตใจนั้นไม่ได้มีอายุเหมือนกับร่างกายจิตใจของเราเป็นสิ่งที่ไม่ตายเมื่อได้บำเพ็ญบุญบา ร, รมีสะสมบุญบา ร, รมีเวลาตายจากชาตินี้ไปเกิดชาติหน้าบุญบา ร, รมีต่างๆที่ได้สะสมไว้ ก็ไม่ได้สูญหายไปไหนมีติดไปกับใจถ้าได้สะสมบุญไว้มากสะสมปัญญาไว้มากเวลาไปเกิดชาติต่อไปก็จะมีบารมีมากมีปัญญามากบางคนเป็นเพียงเด็กแต่หลังจากที่ได้ยินได้ฟังพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าก็สามารถบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้เพราะ ใจได้สะสมปัญญาบรารมีและบรารมีอย่างอื่นมาอย่างมากมายพร้อมที่จะแสดงผลคือพร้อมที่จะบรรลุเป็นพระอริยบุคคลได้นั่นเองดังนั้นพระอริยสงสาวกของพระพุทธเจ้าจึงไม่ได้อยู่ที่นักบวชไม่ได้อยู่ที่คนหนึ่งคนใด แต่อยู่ที่ทำการปฏิบัติสประการที่ทรงตัดไว้ก็คือสุปฏิปันโนปฏิบัติดีอุชุปฏิปันโนยายาปฏิปันโนรัสมีจิปฏิปันโนนี่คือการปฏิบัติสี่ประการด้วยกันคือปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติเพื่อการหลุดพ้น จากความทุกข์ปฏิบัติด้วยความถูกต้องตามหลักพ่อธรรมคำสอนถ้าปฏิบัติอย่างนี้แล้วก็จะสามารถบรรลุเป็นพระ อ, อริยสงสาวกได้ไม่ขึ้นกับการกับเวลาไม่ได้หมายความว่าจะบรรลุได้เพียงแต่ในสมัยที่มีพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนอยู่เท่านั้นในสมัยนี้ <c oughs> ก็สามารถบรรลุได้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเวลาไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานที่ไม่จำเป็นจะต้องไปประเทศอินเดียเพื่อจะบรรลุธรรมเพราะธรรมไม่ได้อยู่ที่ประเทศอินเดียธรรมอยู่ที่ผู้ผู้สั่งสอนที่ไหนมีการสั่งสอนพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วมีผู้ฟังที่มีจิตศรัทธาที่จะน้อมเอาไปปฏิบัติ ก็จะสามารถบรรลุถึงผลได้อย่างแน่นอนนี่คือพระรัตนตรที่พวกเราทั้งหลายยึดเป็นสรณะเป็นที่พึ่งคือพระพุทธรัตนะพระธรรมรัตนะพระสังฆรัตนะทุกวันนี้พระพุทธรัตนะก็ได้เสด็จ ดับขันตรรินิพพ์ไปแล้วมีองค์พระปฏิมาเป็นองค์องค์แทนให้เราได้กราบไหว้บูชามียังและก็มีพระธรรมรัตนะคือมีพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าและมีพระสังฆรัตนะคือพระ อ, อริยสงสาวุคพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ผู้ทำหน้าที่สืบทอดพระศาสนาแทนพระพุทธเจ้าเป็นผู้ศึกษาแล้วก็ปฏิบัติจนบรรลุเป็นพระอาริยบุคคลขั้นต่างๆแล้วก็ได้นำเอาสิ่งที่ตนเองได้บรรลุได้รู้มาสั่งสอนให้แก่ผู้อื่นต่อไปดังนั้นเรายังไม่ถือว่าเรา ขาดพระรัตนใจคือเรายังมี พ, พระธรรมรัตนและพระสังฆรัตน์ไว้เป็นผู้ทําหน้าที่แทนพระพุทธรัตนะแต่ความจริงแล้วพระรัตนใจทั้งสามนี้ไม่ได้อยู่ที่ไหนแต่จะอยู่ท de <c oughs> ี่ใจของผู้ปฏิบัติผู้ใดก็ตามถ้าสามารถปฏิบัติ ตามพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าได้จนมีดวงตาเห็นธรรมแล้วผู้นั้นก็จะมีพระพุทธรัตนะพระธรรมรัตนะและพระสังฆรัตนะปรากฏขึ้นในในจิตใจของตนเพราะพระพุทธองค์ทร ง, งตรัสไว้ว่าผู้ใดก็ตามผู้ใดผู้ใดปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจนมีดวงตาเห็นธรรม ผู้นั้นคือผู้เห็นเราตถาคตคือถ้าปฏิบัติไปจนบรรลุเป็นพระอริยสงสาวกมีดวงตาเห็นธรรมแล้วก็จะเห็นพระพุทธเจ้าในในใจของตนจะรู้ว่าพระพุทธเจ้านั้นเป็นอย่างไรจะรู้ว่าพระธรรมรัตนาเป็นอย่างไร จะรู้ว่าพระสังขรัตนะเป็นอย่างไรเพราะเมื่อมีดวงตาเห็นธรรมก็ย่อมเห็นธรรมะอันประเสริฐที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสรู้เห็นและจะเห็นพระพุทธเจ้าเพราะพระพุทธเจ้าทรงตัดไว้ว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้นั้นเห็นธรรมและผู้ที่จะเห็นพระพุทธเจ้าเห็นธรรมได้ ก็คือพระสังฆรตนะหรือพระ อ, อริยสงสาวกผู้ที่บรรลุธรรมนั่นเองดังนั้นเมื่อผู้ใดก็ตามน้อมเอาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติจนเกิดมีดวงตาเห็นธรรมผู้นั้นก็จะเป็นผู้ที่มีพระพุทธ ร, รัตนะพระธรรมรัตนะและพระสังฆ ร, รัตนะอยู่ภายในใจของตน มีที่พึ่งที่จะทำให้ตนนั้นหลุดพ้นจากความทุกข์คือจะไม่ต้องทุกข์กับเรื่องราวอะไรต่างๆอีกต่อไปเหมือนกับบุตุชนธรรมดาอย่างเราอย่างท่านทั้งหลายที่ยังทุกข์ยังกังวลยังวุ่นวายใจยังเศร้าโศกเสียใจกับเรื่องราวต่างๆที่เรา ไปสัมผัสพบเห็นหรือที่เรามีเป็นสมบัติครอบครองอยู่เราจะทุกข์กับเรื่องราวต่างๆเหล่านี้เวลาเราสูญเสียสิ่งที่เรารักเราก็เศร้าโศกเสียใจเวลาที่เรายังไม่สูญเสียเราก็มีความห่วงมีความกังวลกับสิ่งที่เรารักกับบุคคลที่เรารักเพราะเราไม่มีดวงตาเห็นธรรม ใจของเราไม่มีปัญญานั่นเองใจของเรามีความมืดบอดครอบงําอยู่จึงทําให้เราไม่เห็นไตรลักษณ์คือลักษณะที่มีอยู่ในทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือเป็นวัตถุเข้าของต่างๆล้วนมีไตรลักษณ์คือมีคุณลักษณะสามประการอยู่ด้วยกันทั้งนั้นคือหนึ่ง ไม่เที่ยงแท้แน่นอนไม่จีรังถาวรมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 2. เป็นทุกข์ถ้าไปหลงยึดติดไปอยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เพราะสิ่งต่างๆบุคคลต่างๆนั้นไม่เป็นไปตามความอยากตามความต้องการของใครทั้งสิ้นแต่เป็นไปตามเหตุตามปัจจัย มีเหตุให้เขาเกิดเขาก็เกิดเมื่อเหตุที่จะทาให้เขาอยู่ไม่มีเขาก็ดับไปเหมือนกับไฟถ้าเราเอาฟืนใส่เข้าไปในกองไฟเรื่อยๆไฟก็จะติดอยู่เรื่อยๆแต่ถ้าไม่มีฟืนเอาใส่เข้าไปในกองไฟแล้วเมื่อฟืนที่มีอยู่ในกองไฟนั้นถูกเผาไหม้หมดไปไฟก็ต้องดับไปนี่คือเหตุปัจจัย เหตุและผลฉันใดสิ่งต่างๆในโลกนี้ที่มีปรากฏขึ้นมาให้เราเห็นให้เราได้สัมผัสให้เรามีไว้ครอบครองก็เป็นเช่นนั้น mm hmm. เมื่อมีเหตุปัจจัยทําให้เขาปรากฏขึ้นมาให้เขาได้มาอยู่กับเราเขาก็จะอยู่กับเราแต่เมื่อเหตุที่จะให้เขาอยู่กับเรานั้นหมดไปแล้วเขาก็จะไม่อยู่กับเราต่อไปเช่นตายไป เป็นต้นคนเราทุกคนเกิดมาล้วนเกิดมาแล้วต้องตายด้วยกันทั้งสิน้นถ้าเราไปหลงไปยึ์ไปติดอยากจะให้อยู่ไปเรื่อยๆไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเราก็จะต้องทุกข์จะต้องวุ่นวายใจนี่คือลักษณะที่สองคือความทุกข์ที่มีอยู่ในสิ่งต่างๆทุกสิ่งทุกอย่างและประการที่สก็คือ ความไม่มีตัวตนในทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นสิ่งเขาสิ่งของวัตถุต่างๆหรือบุคคลเช่นสัตว์หรือมนุษย์ก็ไม่มีตัวตนเช่นเดียวกันแต่ใจที่ไม่มีปัญญาที่ยังมีความหลงครอบงำอยู่จะเห็นร่างกายว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นตัวเรา เ, เป็นของเรา แต่ผู้ที่มีดวงตาเห็นธรรมมีปัญญาเช่นพระพุทธเจ้าจะเห็นว่าไม่ได้เป็นตัวเป็นตนเป็นเพียงธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเท่านั้นเป็นร่างกายที่เกิดขึ้นจากอาหารที่รับประทานเข้าไปอาหารก็เป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟนั่นเองเช่นข้าวก็ต้องมีดินมีน้ำมีลมมีไฟถึงจะเจริญเติบโตได้ ต้นไม้ผักผ ล, ลไม้ต่างๆก็เช่นเดียวกันส่วนสัตว์ต่างๆเช่นปูปลาหมูวัวควายเขาก็ต้องกินผักกินข้าวถึงจะอยู่เป็นรูปเป็นร่างได้เขาก็มาจากดินน้ำลมไฟเช่นเดียวกันเมื่อร่างกายนิรับประทานอาหารผักผ ล, ลไม้เนื้อสัตว์ต่างๆเข้าไป มันก็เปลี่ยนเป็นผมเป็นขนเป็นเล็บเป็นฟันเป็นหนังเป็นเนื้อเป็นเอ็นเป็นกระดูกและก็อยู่อย่างนี้ไปอยู่ระยะหนึ่งเมื่อถึงเวลาที่มันไม่สามารถอยู่ต่อไปได้มันก็เกิดความแตกสามะขีกันคือธาตุไม่ยอมอยู่ร่วมกันแล้วธาตุสีอยากจะแยกออกจากกันร่างกายก็ไม่สามารถอยู่ต่อไปได้ ร่างกายนั้นก็เป็นร่างของคนตายไปแล้วทิงว้งเอาไว้น้ำก็จะไหลออกมาอากาศก็จะไหลออกมานมก็จะไหลออกมาความร้อนก็จะไหลออกมาไฟจะไหลออกมาจนเหลือแต่โครงกระดูกเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกเหี่ยวแห้งกลายเป็นดินไปในที่สุดนี่คือความหมายของว่าของคว่าอนัตตา ไม่มีตัวตนในสิ่งต่างๆในต้นไม้ในในวัตถุต่างๆเราก็รู้เราก็เห็นว่าไม่มีตัวตนฉันใดร่างกายเราก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกับต้นไม้ต้นหนึ่งก็ไม่มีตัวตนเช่นเดียวกันเพียงแต่มีใจมาครอบครองเป็นเจ้าของเท่านั้นแล้วก็สั่งให้ร่างกายนี้ทำอะไรต่างๆไป แล้วก็มีความหลงที่มีอยู่ในใจหลงพาให้คิดว่าร่างกายนี้เป็นตัวตนเป็นตัวเราเป็นของเราเมื่อมีความคิดอย่างนี้ก็มีความหลงยึดติดมีอุปทานความยึดมั่นถือมั่นแล้วก็มีความอยากอยากให้ร่างกายนี้อยู่ไปนานๆโดยไม่คำนึงถึงความจริงว่า ร่างกายนี้เป็นอนิจจังเป็นของไม่เที่ยงอยู่ไปตลอดไม่ได้เมื่อเกิดความอยากก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาเพราะความอยากนั้นไม่สามารถทำให้ร่างกายอยู่ไปได้ตลอดนี่คือความหมายของไตรลักษณ์ที่มีอยู่ในทุกสิ่งทุกอย่างคืออนิจจังไม่เที่ยงเป็นทุกข์ทุกขัง และอนัตตาไม่มีตัวไม่มีตนผู้ใดถ้าน้อมเอาพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าไปปฏิบัติและไปเจริญให้เห็นอยู่ตลอดเวลาว่าไม่มีอะไรที่เที่ยงแท้แน่นอนไม่มีอะไรให้ความสุขกับเราได้เพราะทุกสิ่งทุกอย่างเป็นความทุกข์ทั้งนั้นไม่มีอะไรเป็นตัวเป็นตน เป็นเราเป็นของของเราถ้าน้อมเอามาปฏิบัติแล้วก็ปล่อยวางได้เมื่อไหร่เมื่อนั้นจิตก็จะมีความสุขจิตก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์เพราะเมื่อเราปล่อยวางแล้วไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับสิ่งที่เราปล่อยวางเราจะไม่รู้สึกเดือดร้อนไม่รู้สึกเสีย อ, อกเสียใจไม่มีความทุกข์วุ่นวายใจกับสิ่งที่เราได้ปล่อยวางแล้ว แต่สิ่งใดที่เรายังไม่ปล่อยวางที่เรายังยึดยังติดยังหลงยังคิดว่าเป็นของเราเป็นตัวเราจะให้ความสุขกับเราอยู่เราก็จะต้องทุกข์กับมันเวลาที่มันเปลี่ยนแปลงไปเช่นเวลาที่ร่างกายนี้เกิดอาการเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาหรือใกล้จะตายเวลานั้นจิตใจถ้ายังไม่ได้ปล่อยวาง ก็จะต้องทุกข์วุ่นวายใจเป็นอย่างมากแต่ถ้าปล่อยวางได้แล้วจะรู้สึกเฉยเฉยจะเหมือนกับร่างกายของคนอื่นร่างกายของคนอื่นเวลาเป็นอะไรเราจะไม่มีความทุกข์ไม่มีความวุ่นวายใจเพราะเราไม่ได้ไปยึดไปติดนั่นเองแต่ถ้าเราไปยึดไปติดกับร่างกายของคนหนึ่งคนใดเช่นของสามีของภรรยา ของพ่อของแม่หรือของลูกถ้าเราไปยึดติดเราอยากจะให้เขาอยู่นานๆนนเวลาเขาเป็นอะไรไปขึ้นมาเราก็จะต้องวุ่นวายใจปัญหาของเราก็อยู่ที่ความหลงนั่นเองอยู่ตรงที่ไม่รู้ว่าร่างกายนี้เป็นเพียงดินน้ำลมไฟเป็นเหมือนต้นไม้ต้นหนึ่งแล้วก็อยู่ไม่ไปอยู่ไปไม่ได้ตลอด อยู่ได้สักระยะเวลาหนึ่งแล้วก็จะต้องแตกดับไปคนที่รู้อย่างนี้เรียกว่าเป็นคนที่มีดวงตาเห็นธรรมเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปเป็นธรรมดาเห็นว่าไม่มีอะไรเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นของเราจิตเป็นเพียงแต่ผู้ไปครอบครองแล้วก็ไปหลงว่ามันเป็นตัวเราเป็นของเราเท่านั้นเอง แล้วก็เป็นสิ่งที่จะให้ความทุกข์กับเราถ้าเราไปยึดไปติดถ้าไม่ปล่อยวาง <c oughs> แต่คนที่เห็นด้วยปัญญาแล้วก็จะปล่อยวางปล่อยให้เป็นไปตามความเป็นจริง <c oughs> คือไม่ได้ไปอยากให้เป็นไป <c oughs> <c oughs> เป็นอย่างอื่น <c oughs> เมื่อถึงเวลาจะแก่ <c oughs> ก็ยอมรับความจริงว่าต้องแก่เป็นธรรมดา <c oughs> เมื่อเวลา เกิดมีความเจ็บไข้ได้ป่วยก็ยอมรับว่ามันต้องเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาเมื่อถึงเวลาที่จะต้้มตายมันก็ยอมรับความจริงว่าจะต้องตายจะรู้สึกเฉยเฉยไม่เดือดร้อนอะไรเพราะมองเห็นร่างกายนี้เหมือนกับร่างกายของคนอื่นร่างกายของคนอื่นเวลาเป็นอะไรเราไม่เดือดร้อนฉันใดร่างกายอันนี้ เราก็จะไม่เดือดร้อนเช่นเดียวกันเพราะมองเห็นด้วยปัญญาแล้วว่าไม่ใช่เป็นสิ่งที่จีรังถาวรไม่ใช่เป็นตัวเป็นตนไม่ใช่เป็นเราของเราเราไม่สามารถไปยืดไปติดเป็นให้อยู่กับเราไปตลอดได้เพราะถ้าเราไปอยากแล้วเราก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมา เมื่อเราเห็นอย่างนี้แล้วเราก็ต้องปล่อยเพราะปล่อยแล้วมันจะได้ไม่ทุกข์นั่นเองถ้าไม่ปล่อยจะทุกข์จะทรมานจิตใจแล้วก็ไม่มีใครที่จะมาช่วยเราได้มาดับทุกข์ที่มีอยู่ในใจของเราได้นอกจากตัวเราเองเท่านั้นคือเราต้องปล่อยวางให้ได้พยายามมองร่างกายของเราเหมือนกับร่างกายของคนอื่น สังเกตดูเวลาร่างกายของคนอื่นเขาเป็นอะไรอย่างไรเรารู้สึกอย่างไรบ้างเรารู้สึกเฉยเฉยก็พยายามมองดูที่ร่างกายของเราว่าเป็นเหมือนร่างกายของคนอื่นมันจะเป็นอย่างไรก็ให้มันเป็นไปถ้าเราดูแลรักษาได้ก็ดูแลไปรักษาไปแต่ถ้ามันถึงเวลาที่ทำอะไรไม่ได้ <t ok> ก็ต้องปล่อยให้มันเป็นไปตามเรื่องของมัน มันก็มีเท่านั้นเองเพราะคนเราทุกคนไม่ช้าก็เร็วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายด้วยกันต่างกันตรงที่ว่าจะแก่จะเจ็บจะตายอย่างความอย่างมีความทุกข์มากหรืออย่างไม่มีความทุกข์เลยเราสามารถเลือกทางได้จะทุกข์กับร่างกายก็ได้จะไม่ทุกข์กับร่างกายก็ได้ ถ้าไม่อยากจะทุกข์กับร่างกายก็ต้องคอยสอนใจให้ปล่อยเตือนสติอยู่เรื่อยๆว่าเดี๋ยวเราต้องแก่แล้วนะเดี๋ยวเราต้องเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วนะแล้วเดี๋ยวเราต้องตายแล้วนะคอยเตือนสอนใจเรื่อยๆแล้วต่อไปความหลงและอุปทานความยึดมั่นถือมั่นจะไม่กล้าไปยึดไปถือว่าเป็นตัวเราเป็นของเราจะไม่กล้าไปอยากให้มันอยู่ ไปนานๆไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเมื่อไม่มีความอยากไม่มีความหลงไม่มีอุปทานแล้วต่อไปเวลาร่างกายเป็นอะไรใจของเราจะรู้สึกเฉยๆรับรองได้พวกเราทุกคนสามารถทำกันได้ถ้าเราหมั่นคิดหมั่นพิจารณาอยู่เรื่อยๆเท่านั้นเองแต่ถ้าเราไม่คิจิไมพ่พิจารณาแล้ว ความหลงมันก็จะมาครอบงำจิตใจความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายมันก็จะมาครอบงำจิตใจความยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวเราของเรามันก็จะเข้ามาครอบงำจิตใจแล้วเมื่อเวลาเกิดความแก่ความเจ็บความตายขึ้นมามันก็จะร้องหง่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจอุ้นวายใจ นี่คือสิ่งที่พวกเราต้องทำกันเองไม่มีใครทำให้เราได้พระพุทธเจ้าพระอริยสงสาวกเป็นเพียงผู้ชี้ทางเท่านั้นเป็นเพียงผู้บอกวิธีแก้ความทุกข์ให้กับเราพวกเราสามารถอยู่ในโลกนี้ได้อย่างร่มเย็นเป็นสุขไม่ต้องทุกข์ไม่ต้องวุ่นวายกับเรื่องราวต่างๆถ้าเรารู้จักปล่อยวางถ้าเราไม่ยึดไม่ติดกับ ทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีอยู่มีอยู่ก็มีไว้ใช้ประโยชน์มีไว้ดูแลรักษาแต่ไม่ได้มีไว้เพื่อยึดเพื่อติดเพื่ออยากให้อยู่กับเราไปตลอดอย่างวันนี้ญาติโยมก็มาฝึกวิธีการปล่อยวางญาติโยมมีเงินมีทองมีเวลาว่างก็ปล่อยวางเวลาแล้วปล่อยวางเงินทองคือเอาเงินนี้ไปซื้อข้าวของ มาถวายพระญาติโยมก็ไม่รู้สึกเสียอกเสียใจเสียดายเงินทองที่เสียไปเพราะปล่อยวางเงินทองก้อนนั้นแล้วแต่ถ้าสมมติว่ายังไม่ได้ปล่อยวางยังยังหวงเงินก้อนนั้นอยู่ก็จะไม่สามารถเอาไปซื้อข้าวซื้อของมาถวายพระได้ถ้าญาติโยมฝึกปล่อยวางอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้ว ต่อไปเกิดมีขโมยมารักเงินรักทองของเราไปเราจะไม่รู้สึกเศร้าโศกเสียใจไม่รู้สึกเสียดายเรากลับคิดว่าเป็นเหมือนได้ทำบุญไปในตัวเพราะใครเอาไปเขาก็ได้รับประโยชน์เขาก็เอาไปใช้ประโยชน์เมื่อเขาได้ประโยชน์เขามีความสุขเราก็มีความพอใจเพราะเราชอบทำบุญอยู่เป็นปกติอยู่แล้ว เราไม่ยึดไม่ติดกับเงินทองอยู่แล้วต่างกับคนที่ไม่รู้จักให้ไม่รู้จักปล่อยวางเงินทองเวลาเงินหายไปเพียงหบาท10บาทก็วุ่นวายใจกินไม่ได้นอนไม่หลับเสียดายเกิดความโกรธแค้นขึ้นมาอยู่ภายในใจเกิดความทุกข์ขึ้นมาเสียสองต่อเสียเงินเสียทองแล้วยังต้องมาเสียใจต้องมาเจ็บใจอีก แต่คนที่รู้จักปล่อยวางเงินทองเช่นทาบุญทาทานอยู่เรื่อยๆแล้วเวลาเสียเงินเสียทองไปจะได้กำไรเพราอใจจะไม่เสียใจกับรู้สึกสบายใจว่าหมดปัญหาไปเงินก็นนั้นอยู่กับเราเราก็ต้องคอยดูแลรักษาเมื่อมันถูกขโมยไปแล้วมันก็หมดภาระของเราแล้วเราก็ไม่ต้องมาห่วงมาดู มาดูแลมาคิดว่าจะเอาไปทำอะไรดีเราได้กำไรถ้าเราทำบุญถ้าเราปล่อยวางแล้วเรากลับมีความสุขเวลาเราสูญเสียอะไรไปเราจะมีความสุขมากขึ้นเพราะสิ่งต่างๆที่เรามีอยู่ไม่ว่าจะเป็นสิ่งของหรือเป็นคนเป็นเป็นบุคคลล้วนเป็นภาระทางด้านจิตใจทั้งนั้นเรามีอะไรเราก็ต้องคอยดูแลรักษา มันก็เป็นห่วงเป็นภาระเป็นความกังวลแต่เมื่อเขาไม่อยู่กับเราแล้วเราก็สบายใจเช่นถ้าเรามีรถเราก็ต้องคอยดูแลรักษารถยนต์ของเราต้องคอยห่วงเวลาจอดจะถูกใครเข้ามาทำอะไรหรือเปล่าจะมาขโมยไปหรือเปล่าแต่พอถ้าถูกขโมยไปแล้วมันก็หมดภาระไปเราก็สบายใจไม่ต้องดูแลมันต่อไป ถ้าเรารู้รจักปล่อยวางแล้วเวลาเราสูญเสียอะไรเราจะรู้สึกเฉยเฉยไม่เสีย อ, อกเสียใจไม่เสียดายไม่เสียสองต่อและการที่เราจะปล่อยวางได้ก็ต่อเมื่อเราต้องสอนใจอยู่ตลอดเวลาว่าไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนไม่มีอะไรเป็นตัวเราของเราถ้าไปหลงไปยึดไปติดมันก็จะทำให้เราเกิดความทุกข์ขึ้นมา เ, เพียงแต่ท่องคาถานี้ไว้ตลอดเวลาสอนใจเราแล้ ว, ลวเราจะไม่กล้าไปยึดไปติดกับอะไรเราจะไม่กล้าไปอยากให้อะไรเป็นอะไรตามใจของเราเราจะยอมรับตามสภาพความเป็นจริงอะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดไปแต่ใจของเราจะไม่วุ่นวายกับการเกิดกับกับการดับของสิ่งต่างๆนี่คือความสุขที่แท้จริงที่จะเกิดขึ้นในใจ ใจที่ถูกปลดเปลื้องจากความทุกข์ความวุ่นวายใจความเศร้าโศกเสียใจความอะไรอววรต่างๆจะไม่มีอยู่ในใจของผู้ที่มีดวงตาเห็นธรรมคือมีปัญญาและจะเกิดขึ้นได้ก็เมื่อเราน้อมเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เข้ามาปฏิบัติปฏิบัติอย่างอย่างดีอย่างสุปฏิปันโนอุชุยายะสามีจิตปฏิบัติอย่างต่อเนื่องอย่างสม่ำเสมอ แล้วรับรองได้ว่าไม่ช้าก็เร็วพวกเราทุกคนก็จะมีดวงตาเห็นธรรมและเราก็จะมีที่พึ่งในจิตใจใจของเราเราจะได้ไม่ต้องไปทุกไปพูดวายกับอะไรอีกต่อไปดังนั้นจึงขอให้ท่านทั้งหลายจงให้ความสำคัญของการเข้าหาพระตนะใจ ด้วยการมาวัดอยู่เรื่อยๆมาทำบุญทำทานมารักษาศีลมาปฏิบัติธรรมมาฟังเทศฟังธรรมกันเพราะนี่คือวิธีที่จะสร้างพระรัตนตรัยให้มีปรากฏขึ้นมาในจิตในใจเพื่อจะได้เป็นที่พึ่งของเรานั่นเองการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณภาษีรัตนตรัย มีพระพุทธก็ฐานพระสงค์จงปก ป, ป้องคุ้มครองรักษาให้ท่านมีแต่ความสุขความเจริญแคล้วคลาดปลอดภัยจากทุกภัยอันตรายทลายทั้งปวงโดยทั่วหน้ากันเธอ